คำพีวิสุทธิมักรปริเฉตที่สิบเจ็ดปัญญาภูมินิเทศปฏิจจสมุปปาทกถาเพราะเหตุที่ในธรรมะทั้งหลายที่เป็นภูมิแห่งปัญญานี้ท่านกล่าวไว้ว่ า, วาธรรมะทั้งหลายต่างโดยขันอายตนะธาตุอินทร์สัจจะและปฏิจจสมุปบาทเป็นอาธิ เป็นภูมิแห่งปัญญาดังนี้ปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมทั้งหลายที่รวมเข้าไว้ด้วยอาธิสัพยังเหลืออยู่คื อ, อยังมิได้พันนาเพราะเหตุนั้นบัดนี้จึงถึงลำดับแห่งการสังวร น, นานาปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมนั้นในธรรมะสองอย่างนั้น ธรรมะทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นพึงทราบว่าชื่อปฏิจจสมุปบาทเป็นอันดับแรกจริงอยู่คำนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชา วิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารนามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณสลายตนะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปผัสสะมีเพราะปัจจัยคือสลายตนะเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะตัณหามีเพราะปัจจัยคือเวทนา อุปาทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาภพมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานชาตการเกิดมีเพราะปัจจัยคือภพชรามรณะโสกปริเทวะทุกขทมนัตอุปาญาตมีเพราะปัจจัยคือชาติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นั้นย่อมมีดังนี้ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทส่วนธรรมะทั้งหลายมีชรามรณะเป็นต้นพึงทราบว่าชื่อว่าปฏิจจสมุปปันนธรรมเจงอยู่คำนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปปันนธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายชรามรณะเป็นธรรมะไม่เที่ยงเป็นธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคืออาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นธรรมะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลาย ชาติจนถึงพบอุปาทานตัญหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอาวิชาเป็นธรรมะไม่เทียงเป็นธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นปฏิจจสมุ ป, ปั น, นธรรมคืออาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเป็นธรรมะมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมดังนี้ความหมายของคำว่าปฏิจจสมุปบาทส่วนความต่อไปนี้เป็นความหมายสังเขปในปฏิจจสมุปบาท และปฏิจจสมุปปนธรรมนั้นธรรมะที่เป็นปัจจัยทั้งหลายพึงทราบว่าชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่เกิดเพราะปัจจัยทั้งหลายนั้นๆพึงทราบว่าชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมหากมีคำถามว่าข้อนี้จะพึงทราบได้อย่างไรพึงแก้ว่า ทราบได้โดยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในพระสูตรอันว่าด้วยการแสดงปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปป น, นธรรมไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายเจรามรณะมีเพราะปัจัยคือชาต เพราะความเกิดขึ้นแห่งพระตราคตทั้งหลายก็ตามเพราะความไม่เกิดขึ้นแห่งพระตถาคตทั้งหลายก็ตามธาตุอันนั้นธรรมติตาความตั้งอยู่เป็นธรรมดาอันนั้นธรรมนิยามตาความแน่นอนแห่งธรรมดาอันนั้นอิทับปัจจะตาความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้อันนั้นก็คงตัวอยู่นั่น ตถาคตมารู้ถึงธาตุอนนั้นเข้าครั้นรู้ถึงเข้าแล้วจึงบอกจึงแสดงจึงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกออกทําให้ง่ายขึ้นท่านทั้งหลายจงดูเถิดดังนี้เป็นต้นและตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสราโมรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติชาติมีเพราะปัจจัยคือภพ จนถึงสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาเพราะความเกิดขึ้นแห่งพระตรราคดทั้งหลายก็ตามเพราะความไม่เกิดขึ้นแห่งพระตรราคดทั้งหลายก็ตามไปยานใหญ่จำแนกออกทำให้ง่ายขึ้นท่านทั้งหลายจงดูเถิดและตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชช า, าตาตา ความมีเพราะปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้แลอันใดอวิฏฐาตาความไม่มีที่จะไม่มีเพราะปัจจัยอย่างนั้นอย่างนี้แลอันใดอนันยธาตาความไม่มีธรรมะอื่นเพราะปัจจัยอื่นอย่างนี้แลอันใดอิทัปปัจจยาตาความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้อย่างนี้แลอันใดในธรรมะนั้นอันนี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาทดังนี้เป็นต้นเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็เป็นอันตรัตธรรมะที่เป็นปัจจัยทั้งหลายนั่นเองว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทโดยคำทั้งหลายที่เป็นไวโพน์ของปฏิจจสมุปบาทมีตาตาเป็นต้นเพราะเหตุนั้นปฏิจจสมุปบาท บัณฑิตพึงทราบว่ามีความเป็นปัจจัยแห่งธรรมะทั้งหลายมีชรามรณะเป็นต้นเป็นลักษณะมีการผูกพันทุกไว้เป็นรถมีความเป็นทางผิดเป็นปัจจุปปฐานก็แลปฏติดจะสมุบาทนี้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าตถาตาคือความมีเพราะปัจจัยอย่างนั้น เพราะความมีขึ้นแห่งธรรมะนั้นๆก็เพราะปัจจัยทั้งหลายนั้นๆอันไม่ขาดไม่เกินนั่นเทียวตรัสเรียกว่าอาวิตถาตาความไม่มีที่จะไม่มีเพราะปัจจัยอย่างนั้นก็เพราะเมื่อปัจจัยทั้งหลายถึงความพร้อมกันเข้าแล้วเป็นไม่มีละที่ธรรมะทั้งหลายอันเกิดเพราะปัจจัยนั้น จะไม่มีขึ้นแม้แต่ครู่หนึ่งตรัสเรียกว่าอนัญญธตาความไม่มีธรรมะอื่นเพราะปัจจัยอื่นก็เพราะธรรมะที่เป็นผลอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยของธรรมะที่เป็นผลอีกอย่างหนึ่งตรัสเรียกว่าอิทัปปัจยตา ความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนั้นก็เพราะความเป็นปัจจัยหรือเพราะเป็นประชุมแห่งปัจจัยของธรรมะที่เป็นผลทั้งหลายมีชรามรณะเป็นอาทิตามที่กล่าวมาแล้วนั้นแกอิทับปัจจยตา ต่อไปนี้เป็นความหมายแห่งคําในคําอิทัปปัจจะตานั้นธรรมะทั้งหลายใดเป็นปัจจัยของธรรมะเหล่านี้ธรรมะทั้งหลายนั้นชื่อว่าอิทัปปัจจะยาอิทัปปัจจยตาก็อิทัปปัจจะยานั่นเองในยะหนึ่งประชุมแห่งอิทัปปัจจยาชื่อว่าอิทัปปัจจะตา ก็แลลักษณะในคำว่าอิทธปัจะยตานี้พึงค้นดูจาก ศ, รรพศาัพภาษารเถิดค้านความหมายปฏิจจสมุปบาทในลัทธิเดียรถีเจ้าลัทธิบางพวกกล่าวยุริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นเฉยเฉยไม่มีเหตุว่าเป็นปฏิจจสมุปบาท โดยในยะดังนี้ว่าความอิงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอย่างถูกต้องด้วยโดยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุเช่นความเกิดแห่งปกติประเภทมูลเดิมและปุริสะคืออัตมันเป็นต้นซึ่งเดียรถีกำหนดขึ้นชื่อว่าปฏิจจะสมุกบาทคำของเจ้าลทัทธินั้นไม่ชอบเพราะอะไรเพราะไม่มีพระสูตรอ้าง เพราะผิดต่อพระสูตรเพราะไม่เกิดความลึกซึ้งและในยะและเพราะเป็นสัทะเพศคือสับแตกด้วยไม่มีพระสูตรอ้างและผิดต่อพระสูตรจริงอยู่พระสูตรว่ากิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นไม่มีเหตุชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทดังนี้หามีไม่และความผิด ต่อปเทสาวิหารสูตรพระสูตรที่กล่าวถึงปเทสาวิหารธรรมก็ต้องมีแก่ผู้ที่กล่าวว่ากิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นนั้นชื่อว่าปฏิจจสมุขบาทเป็นปัตมาพิสามพุทธวิหารคือวิหารธรรมเมื่อแรกตรัสรู้แห่งพระผู้มีพระภาคโดยพระบาลีว่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ทรงมณสิการ ปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีดังนี้เป็นอาธิอนหนึ่งวิหารธรรมเป็นส่วนหนึ่งแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นชื่อว่าปเทศวิหารธรรมดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นแรกตรัสรู้พักพอรอยู่ด้วยวิหารธรรมใดเราพักพอรอยู่แล้วด้วยปเทศ คือส่วนหนึ่งแห่งวิหารธรรมนั้นก็แลพระผู้มีพระภาคทรงพักผ่อนอยู่ในประเทศสาวิหารธรรมนั้นก็โดยทรงพิจารณาดูปัจจัยาการคืออาการแห่งปัจจยธรรมหาใช่ทรงพิจารณาดูกิริยาสักว่าความเกิดขึ้นไม่แลดังที่ตรัสว่าเรานั้นรู้ทั่วถึงอย่างนี้ว่า ความสวยอารมณ์มีเพราะปัจจัยคือมิจฉาทิฏฐิก็มีความสวยอารมณ์มีเพราะปัจจัยคือสัมมาทิฏฐิก็มีความสวยอารมณ์มีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสังกัปปะก็มีดังนี้เป็นตน้นคำพระบาลีทั้งปวงบัณฑิตพึงนำมากล่าวให้พิสดารเถิดความผิดต่อปเทสวิหารสูตรต้องมีแก่ผู้กล่าวว่า กิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทด้วยประการชนนี้ในยะเดียวกันผิดต่อกัจจานสูตรด้วยจริงอยู่แม้ในกัจจานสูตรก็กล่าวว่ากัจจานะอันหนึง่งเมื่อบุคคลเห็นโลกสมุทัยเหตุเกิดขึ้นแห่งโลก ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอยู่นัตติตาความเห็นว่าไม่มีเห็นว่าขาดศูนย์อันใดในโลกนัตติตาอันนั้นย่อมไม่มีดังนี้ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมชื่อว่าโลกะสมุทยัยเพราะเป็นปัจจัยแห่งโลกเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมนั้นจึงเป็นธรรมะที่ทรงประกาศ เพื่อถอนอุเฉททิฏฐิมีใช่สรงประกาศกิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นเฉยเฉยเหตุว่าความถอนอุเฉททิฏฐิจะมีขึ้นด้วยการพิจารณาเห็นแต่เพียงความเกิดขึ้นหาได้ไม่แต่ย่อมมีได้ด้วยการพิจารณาเห็นความสืบต่อกันแห่งปัจจัยเพราะความสืบต่อแห่งผล ย่อมมีในเพราะความสืบต่อแห่งปัจจัยแลแม้ความผิดต่อกัจจานสูตรก็ต้องมีแก่ผู้กล่าวว่ากิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทด้วยประการชนนี้ไม่เกิดความลึกซึ้งและไนยะ พ่อว่าเพราะไม่เกิดความลึกซึ้งและไนยะความว่าก็แลคํานี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอานน์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมะลึกซึง้งทั้งอาการที่ปรากฏก็ลึกด้วยดังนี้ก็อันความลึกซึง้งแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมีสี่ประการข้าพเจ้าทั้งหลายจะดพันนาความลึกซึ้งนั้นข้างหน้า ความลึกซึ้งนั้นหามีในกิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นไม่อนหนึ่งบัณฑิต ท, ทั้งหลายพันานาปฏิจจะสมุปบาทนั้นไว้ให้ประดับด้วยนัยยะสี่ประการแม้นัยยะทั้งสี่นั้นก็หามีในกิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นไม่กิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นไม่เป็นปฏิจจะสมุปบาท เพราะไม่เกิดความลึกซึ้งและในยะดังกล่าวมาชนี้ประการหนึ่งเป็นสัตวะเภทสัตว์ในที่นี้สะกดด้วยทอทหารนะครับข้อว่าเพราะเป็นสัตวะเภทคือสับแตกความว่าก็แหละปฏิจจสับนี้ เพระ ก, กัตตาเสมอกันคือหากมีกัตตาเดียวกันกับอุปาทะประกอบไว้ในบุพการคือใช้เป็นบุพการลกิริยาจึงทําความสําเร็จแห่งอัฏฐะได้คือได้ความเป็นภาษาเช่นกับภาคนี้ว่าภาคในที่นี้สะกดด้วยกอไก่ยายักษ์กรรั น, นะครับเช่นกับภาคนี้ว่าจากคุณจะ ปฏิจจรูปเปจะอปปัชติจัญญนนจกขุวิญญาณังจักขุวิญญาณย่อมอาศัยจักสุและรูปเกิดขึ้นแต่ในคำของเเกจิอาจารย์นี้ปฏิจจศัพ์นั้นประกอบเข้ากับอุปาทศัพ์อันเป็นภาวะสาธนะคือแปลว่าความเกิดขึ้นจึงถึงซึ่งความเป็นสัทธเพศเพราะไม่มีกัตตาเสมอกัน และไม่อย่างอัฏถะอะไรอะไรให้สำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นกิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นจึงไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทเพราะเป็นสัทธาเพศประการหนึ่งชนี้ในข้อนั้นพึ่งมีคำแย้งว่าพวกข้าพเจ้าจะาประกอบเข้ากับโหติสับว่าปฏิจจสมุปปาโทโหติดังนี้ก็ได้ คำแก้พึงมีว่าคำนั้นก็ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะไม่มีความที่ควรประกอบประการหนึ่งเพราะโทษคือต้องกลายเป็นความว่าความเกิดขึ้นแห่งความเกิดขึ้นไปประการหนึ่งด้วยว่าในบททั้งหลายเหล่านี้คือปฏิจจสมุปปาทางวัวพิกาเวเทศิษฐามีกัตโตมโจะพิกาเวปฏิจจสมุ ป, ปาโท ใยานอายังวุจติภิกขเวปฏิจจะสมุปปาโทซึ่งแปลว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจะสมุปบาทแก่ท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็แลปฏิจจะสมุปบาทเป็นอย่างไรใบยานใหญ่ภิกษุทั้งหลายนีิเรียกว่าปฏิจจะสมุปบาทโหติสับ ก็ไม่ถึงซึ่งความควรประกอบเข้ากับบทไหนแม้แต่บทเดียวทั้งไม่เป็นความเกิดขึ้นด้วยเพราะไม่ประกอบด้วยลักษณะแห่งความเกิดถ้าหากเป็นก็จะต้องกลายเป็นความเกิดขึ้นแห่งความเกิดขึ้นไปอีกประการหนึง่งแม้อาจารย์เหล่าใดสำคัญเอาว่าภาวะแห่งอิทัปัจจยธรรมทั้งหลายชื่อว่าอิทัปัจจยตา และอันภาวะนั้นก็ได้แก่อาการที่เป็นเหตุแห่งปัจจยธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นอาธิในเพราะความปรากฏขึ้นแห่งสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเป็นต้นและชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเล่าก็มีขึ้นในเพราะความมีแปล ก, แ, ปลกแห่งสังขารนั่นแหละดังนี้ความสำคัญเอาแห่งอาจารย์เหล่านั้นก็ไม่ชอบ เพราะอะไรเพราะกล่าวเหตุของปัจจยธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นที่จริงปัจจยธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นตัวเหตุโดยในยะพระสูตรว่าเพราะเหตุนั้นนั่นแหลอา น, นุ์สิ่งนั้นแหละเป็นเหตุสิ่งนั้นเป็นนิทานสิ่งนั้นเป็นสมุทยัยสิ่งนั้นเป็นปัจจัยแห่งชรามรณะ สิ่งนี้คืออะไรคือชาต์ปิยานจนถึงสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งสังขารทั้งหลายสิ่งนี้คืออะไรคืออวิชชาดังนี้หาใช่ความมีแปลกๆ แ, แ, แห่งสังขารเป็นต้นนั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทไม่เพราะเหตุนั้นพึงทราบเถิดว่าปัจจยธรรมทั้งหลายนั่นแหละชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทคานั้นที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ดังนี้ คำนั้นพึงทราบว่าเป็นคำกล่าวชอบแล้วส่วนความเข้าใจอันใดเกิดขึ้นในบทปฏิจสมุปบาทนั้นว่าความเกิดขึ้นนี่เองเรียกว่าปฏิจสมุปบาทไม่ใช่เหตุด้วยฉายาแห่งพยัญชนะว่าปฏิจสมุปบาทนี้ความเข้าใจอันนั้นอาจารย์ทั้งหลายพึงถือเอาอัถะแห่งบทนี้โดยในยะที่กล่าวแล้วนั้น แล้วระ ง, งับเสียเถิดด้วยว่าในกลุ่มปัจจุบันธรรมะอันเป็นไปเพราะกลุ่มปัจจัยธรรมนั้นคาปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านประสงค์โดยส่วนสองคือทั้งส่วนผลและส่วนเหตุเหตุใดเพราะเหตุนั้นแม้ปัจจัยแห่งกลุ่มธรรมะนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยอุปจาระ คือโวหารแห่งผลจริงอยู่กลุ่มธรรมะคือปัจจัยที่เป็นผลอันเป็นไปคือเกิดขึ้นเพราะกลุ่มปัจจัยอันนี้ใดในกลุ่มธรรมะนั้นบัณฑิตทั้งหลายประสงค์เอาคําว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นสองส่วนขยายความว่าปฏิจจสมุปบาทส่วนผล กลุ่มธรรมะนั้นอันบันดิตอาศัยคือดำเนินญานอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขที่เป็นโล ก, กุตระเหตุใดเพราะเหตุนั้นกลุ่มธรรมะนั้นจึงชื่อปฏิจจะเพราะเป็นที่บันดิตควรอาศัยและกลุ่มธรรมะนั้นชื่อสมุบบาทด้วยเหตุว่าเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยกัน และเกิดขึ้นโดยชอบและมิได้เกิดขึ้นทีละอย่างทั้งม่ได้เกิดขึ้นโดยหาเหตุมิได้ด้วยเหตุฉะนั้นกลุ่มนั้นจึงชื่อปฏิจจสมุปบาทเพราะเป็นที่บัณฑิตควรอาศัยด้วยเกิดขึ้นด้วยกันและโดยชอบด้วยโดยนัยยะดังกล่าวมาชนี้อีกนัยยะหนึ่งกลุ่มธรรมะที่เป็นผล ชื่อสมุบาทเพราะเกิดขึ้นด้วยกันอันหนึ่งกลุ่มธรรมะนั้นอาศัยคือไม่ปฏิเสธความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยเกิดขึ้นเหตุฉนี้กลุ่มธรรมะนั้นจึงชื่อว่าปฏิจจสมุบาทเพราะกลุ่มธรรมะนั้นอาศัยปัจจัยด้วยเกิดขึ้นด้วยกันด้วยดังกล่าวมาชนี้อีกในยะหนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทส่วนเหตุส่วนว่ากลุ่มเหตุนี้เล่าก็เป็นปัจจัยของกลุ่มธรรมนั้นเหตุนี้กลุ่มเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าตับปัจจยะเพราะความที่กลุ่มเหตุเป็นตับปัจจะยะนั่นแหลแม้กลุ่มเหตุนี้บัณฑิตก็พึงทราบเถิดว่าพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันโดยโวหารแห่งผลดังเช่นในทางโลกก้อนน้ำอ้อยอันเป็นปัจจัยแห่งเสมหะเขาเรียกกันซิว่าก้อนเสมหะและเหมือนอย่างในทางศาสนาความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งความสุขท่านก็กล่าวซิว่าความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งความสุขฉะนั้น อีกนัยยะหนึ่งกลุ่มเหตุนี้เรียกว่าปฏิจจะเพราะอัฏฐว่าถึงเฉพาะหน้ากันและกลุ่มเหตุนั้นเรียกว่าสมุปบาทด้วยเพราะอัฏฐว่ายัางธรรมะทั้งหลายที่ไปด้วยกันให้เกิดจริงอยู่กลุ่มเหตุของความปรากฏเกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายมีสังขารเป็นอาทิ ที่ส่งแสดงไว้โดยหัวข้อเหตุเป็นข้อข้อมีอวิชชาเป็นต้นนั้นใดกลุ่มเหตุนั้นเรียกว่าปฏิจจเพราะทมอัฏฐวิเคราะห์ว่าบรรดาปัจจยธรรมที่เป็นองค์แห่งความรวมกลุ่มต่างถึงเฉพาะหน้ากันละกันคือไปพบหน้ากันละกันหมดโดยอัฏฐว่าร่วมกันอย่างผลทั่วไปให้สาเร็จ และโดยอัตถะว่าไม่มีผลอะไรขาดตกบวกพร่องไปและกลุ่มเหตุนี้นั้นยังธรรมะทั้งหลายที่ไปด้วยกันคือธรรมะที่มีความเป็นไปไม่แยกกันและกันนั่นแหละให้เกิดขึ้นเพราะฉะนี้กลุ่มเหตุนั้นจึงเรียกว่าสมุบบาทด้วยดังนี้กลุ่มเหตุจึงได้ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท เพราะกลุ่มเหตุนั้นถึงเฉพาะหน้ากันด้วยอย่างธรรมะที่ไปด้วยกันให้เกิดด้วยดังกล่าวมาชนี้อีกนัยยะหนึ่งกลุ่มปัจจัยนี้อาศัยกันและกันเป็นเหตุร่วมยังธรรมะทั้งหลายที่เป็นผลของตนให้เกิดขึ้นเสมอกันและด้วยกันเหตุใดแม้เพราะเหตุนั้น กลุ่มปัจจัยนี้พระมูนีเจ้าจึงตรัสไว้ในบทปฏิจจสมุปบาทนี้ด้วยเหมือนกันจริงอยู่ในปัจจัยทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้ด้วยหัวข้อมีอวิชชาเป็นต้นปัจจัยเหล่าใดยังธรรมะมีสังขารเป็นต้นให้เกิดขึ้นปัจจัยเหล่านั้นหาใช่ไม่อาศัยการละกันเป็นเหตุร่วมเมื่อขาดกันและกันไปเสีย จะสามารถยังธรรมะมีสังขารเป็นต้นนั้นให้เกิดขึ้นได้เลยไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มปัจจัยนี้พระมุนีเจ้าผู้ฉลาดในโวหารตามทํานองความว่ากลุ่มปัจจัยนี้อาศัยกันและกันเป็นเหตุร่วมยังธรรมะทั้งหลายให้เกิดขึ้นโดยเสมอกันและด้วยกันคือมิใช่ให้เกิดขึ้นเป็นส่วนๆทั้งมิใช่ให้เกิดขึ้นโดยเป็นก่อนและหลังดังนี้ จึงตรัสไว้ในบทปฏิจสมุบาทนี้ด้วยเหมือนกันหมายความว่าตรัสว่าเป็นปฏิจสมุบาทด้วยนั่นเองปฏิจสมุบาตเป็นมัชิมาปฏิปทาก็แลพระมุนีเจ้านั้นเมื่อตรัสอย่างนี้ก็เป็นอันทรงแสดงความไม่เป็น สัตสตาวาทะเป็นต้นด้วยบทหน้าและส่งแสดงความแย้งต่ออุเฉทวาทะเป็นอาธิด้วยบทหลังส่งแสดงความถูกต้องด้วยบททั้งสองอธิบายแห่งคำประพันธนี้ว่าคำว่าด้วยบทหน้าเป็นต้นความว่าความเป็นสัสตาวาทะเป็นต้นซึ่งแยกออกไปเป็นสัสตาวาทะ กล่าวว่าอัตตาและโลกเที่ยงไม่ศูนตายแล้วเกิดอเหตุุกะวาทะกล่าวว่าเหตุปัจจัยแห่งความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีแล้วแต่โชคเคราะห์วิสมะเหตุุวาทะกล่าวว่าโลกเป็นไปด้วยอำนาจเหตุไม่เสมอกันคือด้วยอำนาจประกิดอนูและการเป็นต้น วสวติวาทะกล่าวว่ามีพระอิศวนอัตมันหรือพระปชาบดีคือพรมเป็นผู้ครอบงำสัตว์ไว้ในอำนาจคือเป็นผู้บรรดาลเป็นต้นอันทรงสแสดงด้วยบทปฏิจจะซึ่งส่องความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยเพราะปะวติธรรมธรรมะฝ่ายปวัติหมุนไปมีความเป็นไปเนื่องอยู่ในความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัย จริงอยู่ประโยชน์อะไรด้วยความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยเล่าสำหรับสิ่งที่เป็นสัตตถะเป็นต้นหรือสำหรับสิ่งที่เป็นไปด้วยอำนาจอาเหตุเป็นต้นคำว่าและด้วยบทหลังเป็นต้นความว่าอุเฉทวาทะการกล่าวว่าตายแล้วสูญนัติกะวาทะ กล่าวว่าอะไรอะไรไม่มีผลของบุญบาปก็ไม่มีอกิริยาวาทะกล่าวว่าไม่เป็นอันธรรมคือทำอะไรไม่เป็นกรรมชื่อว่าถูกปัดออกไปเพราะความเกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายก็เพราะความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยเหตุนั้นจึงเป็นอันทรงแสดงความแยง้งต่ออุเฉทวาวาทะเป็นต้นด้วยบทสมุปบาท ซึ่งสองความเกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายจริงอยู่ในเมื่อธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแล้วเร า, เ า, เาด้วยอำนาจแห่งปัจจัยก่อนๆอยู่อุชเช ท, ทวาทะนัติกะวาทะและอกิริยาวาทะจะมีแต่ที่ไหนเราคำว่าด้วยบททั้งสองเป็นต้น ความว่าความถูกต้องนี้คือมัจิมาปฏิปทาทางสายกลางความละเสียซึ่งวาทะว่าผู้นั้นทำผู้นั้นได้รับผลคือใครทำใครได้เรื่อยไปไม่มีจบสิน้นความละเสียซึ่งวาทะว่าคนอื่นทำคนอื่นได้ผลคือคนหนึ่งทำคนหนึ่งได้ ความไม่ยึดมั่นในภาษาของท้องถิน่นความไม่ล่วงเลยเสียซึ่งสมัญญาคือชื่อคนและสัตว์สิ่งของที่ชาวโลกเรียกรู้กันเป็นอันทรงสแสดงด้วยคำว่าปฏิจจสมุปบาทหมดทั้งคำเพราะธรรมะนั้นๆเกิดขึ้นโดยไม่ตัดคือไม่เว้นความสืบเนื่องกับความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยนั้นๆ นี่เป็นความหมายของคําเพียงแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นส่วนว่าแบบที่พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทได้ทรงวางไว้โดยในยะว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชาเป็นต้นนี้ใดบัณฑิต เมื่อจะทำสังวณ น, นาความแห่งแบบที่ทรงวางไว้นั้นลงสู่วิพัชวาทีแล้วไม่กล่าวตู่อาจารย์ทั้งหลายไม่ดิ่งลงสู่สกัดสมัยคือไม่ยึดแต่ความรู้ฝ่ายตนไม่ขึ้นครอมปรสมัยคือไม่ข่มขี่ความรู้ฝ่ายอื่นไม่คานพระสูตรอนุโลมพระวินัยมองดูมหาประเทศไว ชี้ข้อธรรมะคือพระบาลีได้ถูกต้องถือเอาอัฏฐะคือความอธิบายแห่งพระบาลีนั้นได้ไม่ผิดและยักเยือ่อัฏฐะนั้นนั่นแหละอธิบายไปโดยบรรยายอื่นอีกก็ได้ดังนี้จึงควรทำอัฏฐะสังวร น, นานาได้อันหนึ่งเล่าด้วยปกติอัฏฐะสังวร น, นาณาแห่งปฏิจจะสมุปบาทก็ทายากอยู่แล้ว ดังโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าธรรมะสี่ประการคือสัตยะสัตวะปฏิสนธิและปัจจญาการนี่แหละเป็นธรรมะที่เห็นได้ยากทั้งยากที่จะแสดงด้วยดังนี้เหตุใดเพราะเหตุนั้นการสังวนานาความแห่งปฏิจจสมุปบาทอันใครๆเว้นเสียแต่ท่านผู้สำเร็จอาคมคือพระปริยัติ และอธิคมคือมรรคผลจะทำได้มิใช่ง่ายเหตุดังนี้ข้าพเจ้าช่างใจดูแล้วบัดนี้ใครจะกล่าวพันนาปัจยาการทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ในยะอันเป็นที่ตั้งที่อาศัยด้วยกำลังปัญญาตนดังก้าวลงสู่สาคอนยังไม่ได้ที่เหยียบยันฉะนั้นก็แต่ว่า คำสอนข้อนี้เป็นคำสอนที่ประดับประดาไปด้วยนิยตเทศนาเป็นนาน า, นาวิธีทั้งแนวทางพรนานาคืออัตถกาถาของท่านบุรพาจารเล่าก็ยังไม่ขาดสายเป็นไปอยู่จนทุกวันนี้เหตุใดเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจาักอาศัยนิยะทั้งสองนั้นลงมือพรนานาความแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นดูขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำพร น, นานั้นเถิด ด้วยพระบูรพาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งหากสนใจฟังข้าพเจ้าจะพึงได้รับคุณวิเศษคือความรู้อันมีอยู่แต่ต้นไปจนปลายครั้นได้รับคุณวิเศษคือความรู้อันมีอยู่แต่ต้นไปจนปลายแล้วก็ะจะพึงลุถึงฐานะที่มัจจุราชมองไม่เห็นดังนี้ก็แล ในคำพระบาลีปฏิจจสมุปบาทมีคำว่าอาวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยประเภทแห่งเทศนาโดยอัฏฐะโดยลักษณะเป็นต้นโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นและโดยกำหนดองค์ทั้งหลายแต่ต้นไปทีเดียวดังนี้ก่อน